ปวดขาไหมขาใคร <laughs> จะขาใครซะอีกต่อให้เห็นว่าไม่ใช่ขากูเนี่ยก็นวดหลวงปู่หลวงตาท่านก็นวดก็ดูแล ดูแลกันพอสมควรเพราะเมื่อไหร่เกินสมควรเมื่อ น, นั้นจะติดทุกอย่างถ้าเมื่อไหร่เกินสมควรเกินพอดีติดทันทีท่านพุทธทาสถึงบอกว่าเงินใช้ซื้อความทุกข์เพราะมันจะเกินทันทีซื้ออะไรมาก็เสร็จมันพี่ขันนะ่ะเก่งอยู่แล้วเรื่องติด สัญญาสังขารวิญญาณวันนี้เราเอาหนังสือหลวงพ่อมาตั้งนะครับยี่สิบเล่มได้เงินเท่าไหร่ <c oughs> 1มื่นห้าถ้าซื้อในร้านในอินยี่สิบเล่มนี่คือสามพันกว่าบาท ก็อนุโมทนาครับไม่ใช่กูหลวงเพาะย่อเนี้ออยไม่ใช่กูฝ่ายกราฟิกของอมรินเก่งนะตรงคนที่ว่างเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจคิดมากเลยคนว่างไม่ใช่กู อกหลังเนี่ยจิตบอกว่าว่างหมดว่างหมดเป็นร้อยเป็นพันครั้งความหมายคือจิตว่างจากจิตไม่เอาจิตมาเป็นตัวโกจิตว่างจากจิต ถ้าจะที่ใบความว่างเนี่ยไม่มีใครรู้เท่าสุภกิจคือ <c ười> ในหัวนะ <c ười> ถ้าให้สุภกิจออกมาบรรยายเนี่ย <c ười> เขาจะนั่งเฉยๆชั่วโมงหนึ่งเลยแล้วก็กลับเราก็นึกว่าเขาจะใช้ปัจญาของเซนเปล่าหรอก <c ười> มันไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเลย ทัสูเห็นสุภกิจก็นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งนะเล่าให้ฟังเราก็เหมือนกับพี่น้องร่วมสำนักกันมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นไปที่จังหวัดสุรินทะร์ก็มีผมสุภกิจแล้วก็พระอาจารย์นนจันทร์เราไปดูศูนย์ปฏิบัติธรรมที่หนึ่งที่เขาจะนิมนต์พระอาจารย์ไป ก็ไปตอนนั้นเป็นเวลาสักเจ็ดโมงเช้าของเช้าวันหนึ่งผมก็สุปกิจก็ออกมาจากห้องพักแล้วก็มาอยู่หน้าศาลาสมมติว่าศาลาเป็นอย่างนี้แต่ของก็เป็นกระจกเป็นโลงใหญ่ๆเป็นกระจกเราก็ยืนกันอยู่เหมือนกับยืนอยู่ข้างนอกศาลาแล้วก็มองไปที่ป่าที่อะไรอย่างนี้สมมตินึกภาพอย่างนี้ก็ได้อะ เพราะเมจินเอาแต่ภาพอย่างนีน้ออกไปยืนหน้าศาลากันแต่ว่าตรงนี้เป็นกระจกประตูก็เป็นกระจกกระจกแบบอลูมิเนียมอย่างนี้มีปา่ามีพระพุทธรูปอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยืนยืนกันอยู่สักพักนึงวันนั้นอยู่ๆคือผมก็อยู่ๆมันก็ปุ๊บขึ้นมาผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, จิต โลกนี่ว่างวะกิดเขาก็ทำหน้าง ง, งๆนะเขาถามว่าว่างไงพี่มันมันว่างยังไงอ่ะเขาบอกกิดลองจับพื้นดินเขาก็ก้มลองไปจับจะแสดงให้ดูหน่อยไหมไม่ต้องนะอ่า imagine เลยก็นนพอกิดลองจับพื้นตอนนั้นผมเห็นอย่างนั้นจริงๆผมว่ากิดลองจับพื้น รู้สึกไม่ว่ามันเป็นคลื่นน้ำอ่ะไม่มันเหมือนทุกอย่างกระเพื่อมเป็นคลื่นไปหมดเลยก็กิดต้นไม้ว่างพระพุทธรูปก็ว่างพื้นดินก็ว่างสารานี่ว่างหมดเลยกิดเ ก, ก็มองไปที่เดียวกับที่ผมมองเ ก, ก็ถามว่า มันว่าไงพี่เขาบอกผมว่าตอนนั้นเขากลัวมากเลยเขาบอกไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกว่ากิดหันหลังกลับใชหันหลังกลับก็ไปเจอกระจกแบบนี้เห็นอะไรในกระจกเห็นเงาพี่เอามือจับผมเนี่ยสยผมเขาก็เสยผมเห็นอะไรข้างในเห็นเงากำลังเสยผมพี่ ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปหมายความว่าไหนพี่กิตกับเงาในกระจกมันเท่ากันเราละตอนนั้นมันชักมั่วละชักไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณสักสิบห้านาทีแล้วอยู่ๆภาพที่กำลังเห็นว่าทุกอย่างว่างอ่ะมันก็วุ๊บแล้วก็กลับมาเห็นเหมือนเดิม ผมถึงรู้เลยว่าภาพที่เราเห็นวันนี้กับภาพที่เห็นที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดจากที่ตรงนี้เมื่อไรจิตปรุงแต่งขึ้นมาขณะที่เราอยู่ใต้โมหะเราไม่รู้เลยว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอีกภาพหนึ่ง แล้วเมื่อไหร่มันเกิดจะภาวะอะไรบางอย่างอย่างนั้นเนี่ยภาพเดียวกันมองไปที่เดียวกันแต่เมื่อจิตเปลี่ยนไม่มีการปรุงแต่งทุกอย่างมันว่างหมดเลยวันนั้นผมไม่เข้าใจเพราะบันเจอจังๆกับตัวเองผมนึกไม่ออกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมนึกออกอย่างเดียวก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเนี่ย วันนั้นผมเดินทางออกจากสวนยินดีธรรมเพื่อจะไปคอร์สผมเดินเข้าไปในศาลาที่สวนยินดีธรรมแล้วก็ก้มลงกราบพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ก้มลงกราบผมไม่เคยอธิษฐานอะไรเลยชีวิตนี้ไม่เคยขอไม่เคยตั้งความปรารถนาเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกยังไงไม่รู้ ผมก็เลยหลังจกากกราบพระเสร็จผมก็เลยอธิษฐานอะไรขึ้นมาบางอย่างแต่ผมไม่ได้อธิษฐานเหมือนคนอื่นผมเพียงแต่บอกว่าขออนุภาพแห่งพระบรมศาสดาและพระอราหันตสาวกทั้งหลายที่ได้เข้าถึงนิพพานกันไปแล้ว ขอให้ผมได้เห็นความว่าอย่างที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้เข้าไปพบเพื่อการบอกสอนผู้คนไม่ให้ผิดทางแล้วก็ตรงทางเข้าสู่พระนิพพานนี่คือสิ่งที่ผมตั้งความปรารถนาแล้วผมก็ก้มลงกราบแล้วอยู่ๆก็ปั้งขึ้นมาเลยผมถึงรู้เลย ว, ว่าตายแล้ว เป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนหพันล้านคนถูกหลอกเหมือนกันหมดของที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแม้แต่สิทธิ์น้องที่นั่งยืนอยู่ข้างๆเราเห็นอย่างหนึ่งพยายามอธิบายทุกอย่างที่เราเห็นกลับไม่สามารถสื่อสารกันได้เรากับมีกำแพงยักษ์า ก, กั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นสิ่งเดียวกันทั้งๆ ท, ท, ที่มองไปที่สิ่งเดียวกันผมบันทึกเอาไว้เนี่ย วันนั้นผมไม่เข้าใจมันเป็นไปได้อย่างไรผมอึดอัดมากเลยหลังจากนั้นมันเหมือนกับโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทาไมทาไมเราจะทำยังไงแล้วเราจะบอกแล้วผมก็เริ่มนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้โหท่านจะบอกสัตว์โลกยังไงเนี่ยนี่ขนาดเราแค่หางอึ่ย แล้วผมก็ไปคอร์สอีกคอร์สหนึ่งอยู่ที่จันทบุรีหลังจากนั้นสักพักความอึดอัดของผมก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันไม่รู้จะทำอย่างไรมีคนก็ชาวบ้านเขาก็มาไปเปิดคอร์สแล้วชาวบ้านเขาพูดกันบอกว่าเฮ้ยเธอตอนนี้หลวงปู่แบรนมาผมไม่รู้จักหรอกแต่ผมเคยได้ยินชื่อท่านผมก็ถามชาวบ้านว่าหลวงปู่แบรน ท่านมาเหรอท่านทำเป็นรู้ไปอเองแล้วแต่ผมก็คิดว่าท่านคงเป็นพระอริยเจ้าล่ะนี่ยผมไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักแต่รู้สึกคล้ายคลาคลาดเหมือนจะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแต่จริงๆพอไปดูประวัติท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คงมานะใช่ไหมเนะี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อวิริยังกันแต่ท่านคงเคยศึกษากับหลวงปู่มั่นบ้างทีนี้พอผมได้ยินชื่อหลวงปูแ่แปรน ผมก็เลยบอกชาวบ้านบอกว่าผมก็พรุ่งนี้พาผมไปหน่อยสิพรุ่งนี้เชา้าผมก็เลยโอนคิวของผมให้สุภกิจสอนต่อชาวบ้านก็พาผมไปตอนเชา้าโหคนแน่นมากผมก็ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยคนแน่นมากแต่ไม่เป็นปหมดเลยผมก็นั่งฟังเทศท่านท่านก็เทศไปเทศ ท, ทั่วไปเนี่ยความซื่อสัตว์อะไรทอนอะไรนักพู ด, พ, ดพูดไปสักสิบห้านาทีย0ิบนาทีก่อนฉันแล้วหลังจากนั้นคนก็ประเคนอาหารกันเต็มเเต็มศาลาเลยผมก็นั่งรอให้ท่านฉันไปอะไรดูว่าพอจะมีจังหวะเข้าไปพอจะสนทนาอะไรได้บ้างไหมแต่ดูแล้วทำใจเลย <c oughs> ไม่เป็นไรได้มากราบท่านก็ดี พอสักพักผมก็นึกในใจว่าวันนี้คงไม่เหมาะเพราะต่อให้เข้าไปสนทนาก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องอเพราะว่าคนเยอะมากก็เลยตัดสินใจล้วกลับดีกว่าเอาไว้โอกาสหน้ากันแล้วกันก็เลยไปขึ้นไปบนสมมติว่าท่านนั่งอยู่นะแล้วก็แต่ว่ามันไม่สูงขนาดนี้ทเทียบันนีนะ้แล้วก็ผู้คนก็เต็มเลยผมก็ไปอยู่สักแถวที่สามที่สี่แล้วก็กราบท่านสามครั้งเพื่อจะลากลับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยเลย ก็กลามลงกราบตอนนั้นก็คนก็เต็มก็กราบกราบพอครั้งที่สามผมลุกขึ้นมาเนี่ยกำลังจะถอยหลังกลับคนไม่มีสักคนเลยผมแปลกใจมากเลยตอนที่ผมกราบครั้งแรกนะ่ะคนเต็มศาลาเลยอะเพราะผมกราบเสร็จครั้งที่สามกลังจะหมุนตัวกลับอา้าวคนไปไหนหมดพอผมเห็นคนไม่มีพวกผมคลานเข้ามาเลยเฮ้ยไม่มีคนสักคนเลย เป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้กงกระดับครั้งแรกยังเต็มสาลาอยู่เลยมันหายไปไนหมดแล้วผมก็รีบคลานเข้ามาหาท่านแล้วผมก็บอกว่าหลวงปู่ครับโลกนี้ว่างครับท่านก็ไม่ได้สนใจแต่ท่านนั่งพิงมอญสามเหลี่ยมแล้วก็นั่งแค่ฟันใช้ไม้ถูฟันของพระป่าท่านก็ไม่ได้ยินผมก็ตะโกนดังขึ้นอีกลงปู่ครับโลกนี้ว่างครับ ท่านเริ่มฮะทีหนึ่งนะอะไรนะผมก็พูดคำเดิมอีกครั้งท่านมองหน้าโลกมันว่างเขามันอยู่แล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมไอไม่ว่างนะ่ะจิตไปทำจิตให้ว่างแล้วก็จบไปได้แล้วแล้วก็กลาบทีนี้กลาบลาจริงแล้วแต่ก่อนกลับก็ขอควักเงินใส่ซองปูผม ข, ขอถวายนะ วางไว้นั่นนะครับก็อนี่อะไรเนาะไปพบหลวงพ่อประโมทที่อยากถูกด่าน่ะไม่ใช่หรอกเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อฟัง หลวงพ่อบอกว่าอารูปรชาญพูดคำเดียวเลยครับ <laughs> เจอหลวงพ่อเอี้ยนหลวงพ่อบอกว่าระวังติดนะบอกไม่ติดแล้วครับ <laughs> เห็นทีเดียว <laughs> ถ้าเห็นหลายทีอยากจะติด เป็นที่เดียวกับหลวงพ่อแต่ไม่รู้เห็นได้งไงเพราะว่าอารูปฌานแปดเนี่ยเพราะว่าถ้าบอกของเก่าเนะี่ยผมเคยบวชเป็นสัมเณรผมบวชเป็นสัมมนเณรอยู่สามสิบสามวันแล้วก็ตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยสิบกว่าขวบพระอาจารย์ก็ให้ขึ้นไปอยู่บนเขาคนเดียวไม่มีไฟฟ้า มันเป็นภูเขาวัดป่าเวลาสวดมนต์ขึ้นไปเขาลูกหนึ่งโดยนบันไดร้อยกว่าขั้นไปนั่งในถ้าสวดมนต์ในถ้ำพอจะเสร็จก็สามทุ่มเนร์ตัวเล็กๆโองหนึ่งต้องเดินลงมาแล้วก็เดินไปขึ้นอีกเขาหนึ่งเพื่อไปขึ้นกุฏิที่พักของตัวเองไฟไม่มีน้ําไม่มีห้องน้ําไม่มีมีไฟฉายอันเดียวเดินก็ไปในป่าแล้วก็เกาะแก๊ ก, กเต็มไปหมดเลยในป่าก็เดินพอถึงกุฏิปุ๊บ ก, ก็นั่งกอดเข่าเลย แล้วก็จุดเทียนอยู่อันหนึ่งอยู่เป็นเดือนเดือนที่หนะ้าหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มฝึกฌานด้วยตัวเองก่อนหน้าที่จะบวชเนี่ยถอยหลังไปอีกทุกอย่างมันมีเหตุบ้านที่อยู่ด้วยกันคุณแม่ยินดีเนี่ยมันเป็นบ้านหลังเล็กๆมีห้องนอนสองห้องท่านก็ทําห้องแม่ก็ทําห้องนอนแม่ห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งแม่ทําห้องพระ คือแม่ทําห้องนอนของแม่แล้วแม่ก็ทําห้องพระแล้วแม่ก็บอกให้ผมอยู่ในห้องพระผมก็นอนอยู่ในห้องพระวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนั่งอ่านท่านก็พูดถึงกระสินบ้างชานบ้างอะไรผมก็อ่านไปเรื่อยๆผมก็เลยทดลองนั่ง ตามที่หนังสือบอกหลังจากนั้นผมก็เริ่มเข้าไปในฌานจนผมตัดสินใจบอกคุณแม่ว่าแม่ผมจะบวชตลอดชีวิตแม่ก็ตกใจนึกว่าพูดเล่นบอกผมจะบวชตลอดชีวิตจริงๆ ผมมาย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองผมถึงพอจะเข้าใจอะไรบางอย่างเขาไม่อนุญาตให้บวชแค่เดือนเดียวตอนปิดเทอมผมก็เลยไปบวดหลังจากนั้นครูบาอาจารย์สอนอะไรผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมก็เลยเอาวิธีเข้าชานของหลวงพ่อปานไปฝึกบนเขาคนเดียว <c oughs> ผมเริ่มเข้าฌานได้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ยากเย็นอะไรพอสึกออกมาก็โลกก็พาไปเลยไปวนสักไกลก็ <c oughs> จะอยู่เทิดนกลับมาอีกรอบยังเคยคุยกันเล่นๆกับคุณแม่ตอนหลังว่าสมมุติว่ามีชาติหน้า แล้วผมเกิดเป็นลูกกับแม่อีกเนี่ยเป็นลูกของแม่อีกเนี่ยแล้วผมขอแม่บวชตลอดชีวิตตอนอายุน้อยๆเป็นสัมมณีน์อีกแม่จะว่ายังไงแม่บอกว่าถ้ามีชาติหน้าแล้วขออีกเนี่ยนะจะให้บวชเลยรู้แล้วว่าชีวิตไม่มีอะไรเลยวันนั้นถ้าอนุญาตไปก็จบแล้ว วิบากมันไม่จบกันง่ายๆกว่ า, วาจะวนกลับมาตรงนี้นานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันจะอาจจะเป็นมีทุนเดิมบ้างผมก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้สนใจจะไปถอยหลังไปดูอะไรก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้